อืม <clears throat> ดูใจแจ้งใจรักษาใจจำในขอไกลเข้ามกลัวของหองพี่สาวก็บพีใจนะแล้ว่างครก็ขอไกลว่าใจใจนี่แหละจะอยู่เพใครเบิ่งใจเพใครทาใจนิ่งให้สงบใจนิ่งใจสงบใจมีความสุขความสุขดูน้าใจสังขาดร่างกายก็มีความสุขเกิดแล้วแก้เก็บตาย ห่ามแก้ก็ได้ห่ามเจ็บก็ได้ห่ามตายก็ได้สังขารร่างกายก่อนนี่เห็นบอกเพราะฉะสังขารร่างกายไม่เที่ยงมือสวดไปแล้วเมื่อกี้นี้สวดถือซื้อดวเดเต็มมือถือศากปลาถือศีลเพราะฉะนั้นจะให้เขาใจจะให้จับว่านี่บุญบุญอยู่น้ำใจใจมีความสุขสังขารร่างกายเขมีความสุขหรอก มันเจ็บปัญญายก็บว่มีความสุขมันติดรักษาดีปันไดยเงี่ยดีปันไดยเขาล้มปัญญานานดีปัญญายาเนี่ยมะฮอมะงามปัญญาก็บุกับเนาก็ะเม็นคือเขากระเท่าคือเขาก็แก่คือเขาแก่คือเขาตายคือเขาใจก็แก่ก็แก่ก็ตายเป็นผู้ากันเบิกผู้ภากันดูดูใจดูบุญอ่ะย่ำแล้วมึงเพิ่มหรือมึเศร้าหรือมยำ จะห้เขาใจเรื่องว่าทั้งบุญจะไ้ดูใจจะไงแจ้งใจใจพาไปสวรรค์พาไปในภานสาันใจพวกเคยเห็นสวรรค์พวกเคยเห็นปฏิภาสใจพาไปบนปนรกอีกตัวใจเป็นตัวของเฮานด้ตั้งตายของคุณพอ่อคุณแม่ เ, เกิดไปแล้วแก้ก็บตายนั่นเยวมรรกไม่ใช่ได้กายก่อนเรียกว่าลูกมาทำนามมาทำในก่อนผ่าก่อนนี้ น้ำคือใจคือใจผู้ได้มีตาเนื้อเห็นม้องเห็นใจเ่ราะเพราะเห็นนรกตัวเพราะเห็นอย่างไรนรกลำด้วยสวยงามเันเพราะมิถะมะเป็นเืีองม่องม่องจัดลงมาลำด้วยสวยงามเป็นมอนนรกต้องใช้สมะดูด้ดูมอนรกเบิ้องมอนรกเห็นมิถะมะมีความนิ่งเห็นมัเบื้องความหนึ่งกับเบื้งสวยงามกับลำด้วยอันไดนมันง่ายง่ายกกันมีความเกิดวันไหน มีความหลักปัญใดของงานเห็นว่าใดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนเด็ดดัตตารูปแล้วคนว่าจังใดทาที่เราตถาคตและดัตตารูปที่จากที่สามัญช น, นคนมีเกลื่อนจะทำได้จะรูได้จะรู้ได้จ ะ, ไดจะเห็นได้เห็นว่าคนมีเกิื่นอนหมายววาเกิ่อนเป็เรื่องใดบัดนีเลืคือว่าเห็นว่าดดทำว่ไดดนั่นคือเกลื่ะสิ่งที่ทำไม่ได้ ถ้าไม่ผู้มีปัญญาอะไรสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ทําไม่ได้คือยังไม่ทํานั่นผู้มีปัญญานิดหนึ่ผู้มีปัญญาทำว่าไรฉันผู้มีบุญ่ันผู้มีบุญนั่นผู้มีบุญี่ได้เกิดเป็นคนเดวผู้มีบุญจะได้เกิดนับคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาพบแล้วมาได้ยินได้ฟังอีกี่คำก็เป็นบอก ถ้าเอาทำมาแฝงบอกรับประทานอาหารใจเพื่อหาพปผเจ้าหาหกผีมาบ้านไว้สาหรับผ้างินผ้าค้ำก็ถ้าทองคํานี้ใช้อาหารใจไปเพราะนั่นว่า้ากันเบิ้งเราแบบนู้นก็นิดๆน้อยๆขอลากระแลบุญประเภทนี้บุญประเภทนี้บุญเย้ะเลยเพราะท่านทำบาปประเภทนี้ท่านเอาบุญก็เขามาแบบนี้มาเห็นแบบนี้รักษาไปแล้วนี่มึงด พันโมมีสติโมมีปัญญาโมเกิดคว่มรูคว่ำเฉลียวตลาดโมก้าโกงกันดอกโมก้าคดกันดอกโมก้าพลโมขาด้ารดีกันดอกก็เพราะกาหันด้วยหนิโมเห็นจุดนี้แล้วหนิเปี่ยนเปี่ยนผู้อื่นเปียนเปียนจะฟ้องก็เพราะโมีปัญญาถูกต้อพระพุทธเจ้าก็ให้เปลี่ยนเปียนตนเองและคนอื่นเน่รักษาตนเองก็เหมือนรักษาคนอื่นน่ะ ไอ้ที่เารักษาเพรันมีอยังมาก็ไม่ต้อเบียนเวียนหาเขได้ป้นกี้คาตีเห็มเต็มเวีอนจำอยู่มีแต่จังหวัดใดจึงหวัดน้นเวีอนจำมากๆพระพุทธเจ้าก็ได้สอนนี้ประโยชน์จำไปขาคุกเพราะอนั้่ะพระพุทธเจ้าก็สอนไห้ป้นให้กี้ให้คาให้ตีนี่เจ้าไทยเจ้าพุทเจ้าไทย้าพุทไว้่านั้นเถนะ ถ้าเท่าพูดราจะไปเห็นกันไรเยอกันมีธรรมะอยู่ในหัวใจอะมีธรรมะอยู่หนังสือทำร่ำคั่วอยู่ในใจมีมเท่าพูดอยู่หัวใจมีว่กันมีควสุขใส่สูงเท่าทัท่าพูดเดิอเด้เลยทุกอืเยิ่งบวคนตมสงบไม่มเอาเขาตรงนี้มาดูเขาถามเขาตรงนี้ถาตนี้ถามตรงนี้มาดูเห็นว่าเขากี่หนึ่งนาที เบงตลอดที่มีเถิแต่งทำอย่างไปใส่มาใสกิมีความเมตตาานี้มีความสงบสุขเกิดพวมรักควกรลงเข้าาเขาควสมัเขาควมสงบเขาเบิงสมาธินี่ปัญหาความร้อนเกิดพวักควมโกวดพมลเขาสมาธิเบ้งมันกระตัดไปได้ตัวภาษาของชาวานว่าทไหนจะบอกกินข้าอย่างจะบกปากขมขีดจกบอกําลังหิวจะบอกรับทาอาหารกาลังโกดจะ ปาออกมามันทะเลาะกันดีกันขากันเงียบไปนะกัเงียบไปอดรันหนึนาทีสองนาทีถือสิบนาทีก็หายแล้วเห็นว่าต้องขอโทษกันขอโทษกันไถ่เอาโทษกันขากันตายแล้วก็พูมโหโตสว่าจะแก้ไขขอโทษได้ขอโทษมังเกิด่องง่ายๆแล้วใจตัวเนี่ยไม่มาหาขอโทษกีนยังขากันอย่างเบียดเบียนกันอย่างโกโกงกันอย่างก็รอดแค่ได้แต่ มขาตัวเดียวนี่แหละเนี่ขยขรอการทับุญนี่พ ร, ระสงฆ์ก็ย่ำการทับบุญหน้าโยมพระเจ้าปฐมเจ้าวาต้อเน้นนะการทับบุญนี่เด้เราเน้นนักก็นี่ยรูแต่ละวัดแต่ละวัดประเทศไทยไมีวัดจังวัดมีวัดทั่โลกต้องเน้นนักให้เข้าใ จ, จเรื่องทับุญในโลกพหลวงปนี่เด้อเกิดมองโรคเราไปทับุญสิบวัดมันมีวัดไหบอกทับบุญแน่ไม่หนังย่อม ตะะทินสักัาเห็นนั่งเลยกันดธูุดยไห้พระรินตะสักัาตรวจหน้าโยมเสแล้บุญอ่ะฮะบอกคนของให้พายุงก็บรรทัศบุญไปกันนั่นอมักงงใจไปกัน รรพันุมีปัญญาเนี่ยนะทำบุญพอเป็นท่านทานพอเป็นเพจแต่ฝันลาบากกวา็ว่าทำบุญเมงโลกมือนเศ้ายานีนสบาอเอาทารรละเอียดก็ไปองโลกพระเจ้าฝนก็ให้พระสงฆ์รับอาหารเกินขอปากบาได้นะกูได้พระรูปไหรับอาหารเกินขอปากบาทาาปัาาปทปโทษทุกกดเอาแม่กันพระว่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวปวดขน้อยแนะ่ปดขน่อยแนะ่คุน ปวดท ไ, ไหผนผิดศีลผิดธรรมเป็นพรักษาที่นี่รักษาไัวเองบัดซบผสมรักษาบาธรรมทินไหไม่จะเห็ุบาปอาหารทอดฉันนนิมนต์หลวงปู่ผิดบาทนั่นนนถือถูกต้องช่วยผสมขาด ก, กิเลสดีก็หอบของไม่ผสมเกิดกิเลสตัวคำพูดของพรแม่คูบัาจารยานตะ ก, ก่อนสมนะของงามเห็นตรงไนพระศิษพร้อมจ ไปเพื่อนสันหน่อยตัวนี่ขนไหนขนไหนสบายพ้นแล้วพ่อใจขนไปเพิ่มอีกเส่ถวยเส่ผ้าเข้าไปเรื่องเง็นผิวถึงมากตัวนั้เรื่องทั้งตั้มจะไหลไปแล้วน้ำใจน้ําใจตั้มนันไหลไปทุกอันทุกแล้วเห็นว่าน้าจะได้แม่น้ําตั้มจะไหลไหลแห้งก็ไปไหลแห้งก็ไปตัวพังแปนดินก็ไปหมด ดินก็ใสเป็นห่วยเป็นหนองไป็นมดนั่นน้ำเจลล์ตันหาด้วยกันตั้มตะไงไหลไปแห้งโม่จกท้วนกระแสทําของพุนเจ้ามีิตะท้วนกระแสเน่ท่านไม่ที่ข้านให้ขยันนั่นขยันว่า เ, าเละก็ล้มหายใจก็ออกอ่ะที่ข้านทําม่อใดเห็นเมื่ไใดฟังรู้คําคของพุนเจ้ายากที่สามัญชนยากที่ปุกจุนชนคนหนาจะทําได้ท่านเอาขอม้าให้ถึงใจได้เลย เขาคัดบ ja. ่เป็นนักส ja. no. nah. oh. ja. ันึงบ่เบิ่งถุทุกทุกนตาเห็นบ่สันเห็นสวรรค์บ่ตาไม่เห็นแตมวลนรกแนแล้วเห็นลาด้วยเห็นสวยงามนั่นเขาเมื่อก้เห็นบ่สันสวรรค์สุขเกินยิ่งกวัวความสงบไม่มีทสงบล้วก็เห็นสวรรค์ได้เห็นบุนวหวเห็นบ่ได้นั่นละเอียดด้ ท่านของพระเจ้าจึงอยากให้แน่นหนักยุคนี้อยากให้ภาคกันทําบุญที่เรามีสมาธิเศรษฐมีปัญญามีความรอบลูกชุดยอดยุคความรอบลูกควรเรารูปในความสังขารเรียกว่าปัญญานั่นรูปอย่างแน่นะควกรอบลูกโลกมกีทู่รูปแกงโลกให้ใจของพรรูปแกงโลกว่าะความเป็นยูของโลกมันเป็นทังไหนโลกนี้อุ่นไหวเนาะเห็ุทั่ไหนอุน่นไหวเอ๋อ ไม่ต้องยึดดีตัวเพชรบุญด้วยใจหุ่มพื้นเกิดมาหาควรจิตใจไหวก้มสงบแล้วบุญไหวโลกนี้ชอบบุญไหวคนทั้งหดชอบคุญไหวบุญไ ห, ญหวพ่อพ่อซื้อหมามาเลี้ยงบุญไหวใจด้วใจว่าเอาล้วซื้อหมามาเลี้ยงรู้กันเพาะเพิ่มเขาไปอีกเพราะมันว่าเป็นมันเจี๊ยบไข่ได้ปพ่อใหมันเหงากระทุกทบเผาเพิ่มก็มทุกข์ยากเข้าไป ก็ไม่หนังเดียวเลักพระพุทธศาสนาของกูจะอเอให้เหรอเน้นนักวิทย์นี่เด้อดิเตรียมตัวก่อนกลับเตรียมตัวก่อนตายแต่เขาพอเตรียมตัวเขาถึเห็นหนังจากลาจากรวยจากสวยจากงามลำรวยเอาไปน้ำใดบ่สวยงามเอาไปน้าใด้บ่เคยเห็นบ่แขงขานร่างกายภาไปสวรรค์ น, นิพพานเผาถิ่มเม็ดก่อร่างกายก่อนนี่อ่ะนต้งสวดไปแล้วเกิดมาแล้วต้องแก้ต้องเก็บต้องตาย ให้ติดฝืนความจริงไปได้เขาพอเห็นชุดนี้ก็เลยบอฝืนความจริงว่อโว้ยมันจะไตายใจว่าถอกว่แกว่าเกี่ยวว่ตายอาหารใจว่าดิซื่อทั้งตัวดิซึ่งเพราะร้องขอรอบอกกันนั่นละบุ่นยุนนี้ใจยุนน้ำนี้นั่นเห็นใจเพิ่งใจแก้ใจรักษาใจใจยุนน้ำร่มก่อนเพรมีร่มใจไปแล้วเห็นว่าพอแมีปูยาตายง่ายหายใจก็ได้ไปแล้วเมื่อร่มไปทั้นตัว บอกให้เบิ the church. The church the the the the ้งไปเบิ้งไปเวลาเขาเตรียมตัวเขาถึงเขาพอจไปจริงๆทุกงานคือตายแต่น้อทุกงานคือจิตายแต่น้อมันเขาสมาธิเบิงพึ่ความทุกข์ความยากมหมดไปเห็นแต่ลมหายใจเขาออกบอไม้เห็นความทุกข์่เห็นความเก็บความปวดนั่นเตรียมดิ่ั่นเตรียมดิ่ั่นเพเตรียมเขาเห็นหนัง่างเงินหงทอง่งห้องร้านโอ้ยุงนร้นกูอยู่จังไหนน้อไฟเบิงไฟแน่น้อ โอ้เงินกูจะหันยูยิงไปที่เบิ้องนนะไปรักษานอ ก, นอกเกิดอีกเราได้เหรอเอาก็ดเบืงง้องล้มบ่ยูนเกิดดิไปสบายนะลมพระไปดิพัดไปใส่แน่ลมพระไปงองงองงองเขาไปพัดสวรรค์ น, นั่นอีกไปน้อยกับพาดสวรรค์ก็เขาไปพันิพาณตัวตัวเห็นว่าเห็นเขามื่ดแล้วโลกะคือความมืดข้องามสัตว์โลกค้องามยิบใจสัตว์โลกเห็มืดเอ้ถามก็ไปมึง เขาอยู urs, no ่ในความเมื่อดือความสว่างขันม <Yeah. S 1> ีป <inaudible subject ems> <Allah> <inaudible> ัญญาสว่างขันมีบ่มีปัญญามืดอดูจักว่าปัญญาเป็นทั้งไหนหรือบาปเป็นตังไหนบุญเป็นทั้งไหนเขาัขาต้องว่าไปเน่าเราหูจักบาปก็จักบุญกันละเนี่ยเนี่ยเขาบกจักบาปจักบุญนี่พอเาเขาทำบุญโอ้หูจักรทชาของบุญก็บหูจักรสชาติของบาปทำมละเอียดไปแปร ลำลุ้ยสวยงามเป็นแบบสงบบุญเห็นพ่ะสัเนเพ็รเป็นตัวจางบอกเป็นตัวอย่างทําเป็นตัวจางแตม่บอกอีกซ้ำเด้ต่างกันเพราะสันต่ว่าเห็ุไม่ได้เอาเบังกับล้มอยู่กับล้มที่นังถึงบังล้มไม่ได้เพราะฉะนั้นตาเนื้อนี่มองก็เห็นล้ม <c> เ <oughs> พราะมันมีเกลียดมาบังอยากตะลํำลุ้ยเบื่งตาเพืกอฉันอยาก ล, ลําุ้ยเห็นเขาใส่ทอมเสร็จยังไงก็อยาก ล, ลําุ้ย ก็ใส่เม็ดเท็รนี่นยินดาราคาเท่าไรอยากรับรวยอยากเป็นนื่ก็เขา น, นั่นนั่เรื่องของเมื่อดบอดก็ไปแล้วมันทําำหาใจเมื่อดบอดเด้บันพอจากเห็นแล้วลับหายใจก็ออกมันว่างเปล่ามันบกดูดใจด้หรือคําว่ามันขัดกเอาเลกล็ดบอกแล้วเหยีย ใ, ใจของคนนมันเออวางไปด้วยกเกล็ดนึกว่านี่หรือเออวาไปด้วยบาป บาปไปกันไว้ที่เหตุบุญอย่างเหตุว่ได้กันนก้นไว้กั้นไว้กั้นไว้นั่น <c oughs> เอาแต่ อ, อ้างทำทาน่าเป็นทำบุญท่านเป็นเลบุญท่านว่าเป็นในบาปอ <c oughs> ันบ่สมประกอบกันของได้มากด้วยกุ้มบริสุทธ์พรกด้วยยู่ด้วยกุ้มบริสุทธ์นั่นตามรักถือไป็นตังโลกนั่นมนุตะลังปุลยักเขตังโลกัะควรรับของทำ บุญทำทานจากญาติจากโยมควรรับอัญชลีกันกราบไหว้อัญชลีกัลลิโยนั่นเป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะนก็จะเหมืนเป็นเนื้อหน้าบาปของโลกทีมันบกประก อ, อะะบกันจึงได้บกบุญบัตรนี่การทำทานสู่ทำบุญปรได้เห็นบ่ได้ซื้อหรือยิ้มใส่ทำปั๊บได้รอดเบิ้งปับ๊บได้โลดนั่นเพราะฉะนั้นทำทานยากของมาได้บริสุทธิ์บกพระรักได้บริสุทธิ์บก บางทีไปคนไปโอกมากก็มีบางทีไปต้มไปตัวหลอกล่วงก็่าีนั่นการทานเป็นของยากแต่คนมักงากห้องท้องแงอย่งมันจีเดยินงด้วยหัวใจดิมันจะมักงากอะไมันจะมักยาอกยาอะไรก็หายมที่มักบุญมักกายว่าแตบึกรบหายใจก็ออกไปวัดทำบุญที่ไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญตัวเจ้าของยึดใจเมองตัวโม่ตัวพวกร อ, องไปอีกภาพจะไปบุญไหว้วาไปทำ บ, บุญที เทศใจของห้องงูงดำรู้วัดของห้องมีตกค้นบ้านของห้องมีตกหลังวัฒนธรรมชาวไทยเจ้าพุทธคว้นรักษาไว้ใดที่มหาลัทธิภพมันโลกจิยะเจ้ามาครอบงําพิธีพระพุทธศาสนาพิธีโลกไปเหตุรลดยุนบ้านวัดฟังได้ไหมวัดกายแต่กาวัดพาจาเสือมันไว้วัดจิตใจใจนิ่งสงบ ก็จะว่าวัดบุ่นบายไปวัดบุ่นบายก็จะว่าไปวัดทำบุญไหมผู้เจ้าทรงอนุ ญ, ญาตในความยึดถงไปรับอินท บ, บาทหาเรื่องคิดนอกวัดุเพื่อป้องกันว่าเหี้ยมขอมากกวนพระขนเต็มบาทร่นบาทเสลดเสลาแกมาอีกน้ำมากุุญบายอีกมันเป็นสัตว์วัเดียวนี้เอ้าคิดทั้งโลก คนมาทำบุญหอกงว่ามาบุญไหว้ก็จะขามาปิดประตูเกือบบุญยังดีอะไรคนสวายทีจะเข็นจังวัดด้วยเลยเนี่ยสันนิษานนอกเปิดไหนเมียบ้านเขาไปตประตูเัาปิดปั๊บขึ้นเสาออกมาเห็นหน่ะน้าไปกวนน้ำก็รอดแต่ไปว่าทำบุญไปวัดทำบุ ญ, บญขี่ตัวจะามขีตั ว, บ, วบุวอีกว่าไหนจะเห็นเหมเอตายแล้วได้ยังไปน้า น, นี่ถ้ขีตัว บุญจะใส่ปัญ่านี้ประโลกตัมิงบัดนี้บาปประโลกตั้มิงที่บัด่อ้เขาบอมีบุญก็มีบาปต้นตอมีสองอย่างเคยเห็นบ้นเนี่ยเขาได้เห็นทุกคนว่านับตัเกิดหน้าเห็นหยังเก็นบุญบางร่มหายใจเขาออกเขาเอามาเทียบกันว่ามีกระตาสองน้วยม่นตั้งไว้คือขันบังงี้สองอันนี้ขันหนึ่งของแต้งกายขันหนึ่งของแต้งใจไม่ยังทหลายก็กานกระตาได้ทหลายก็กานขันได้ทีหลายก็กันก บางคนพระท่นเคยเบิกเกียร์แต่เกิดว่าอายุห้าสิบกสิบบให้พภาวนาพกลบหายใจเข้าออกเกียร์มีต่ขนของไปถวายพระไปทำบุญเฮียถวาหนาเฮียถวเกิดที่เลไปเลยยังพ้อลด้วทุกปีของของผ่าพระ่นมาเนินเพินเพิ่นไ่ยังกรอโก็แรแต่ให้พระลาบากมันจไปตัดเอาพืนเดียวกว่าสิบเมตรซ้า ท่านรับได้จงการกระถินด้วยผ้าผืนนี้เปิดว่าเปิดว่าจงการกระถินด้วยทั้งหมดนี้เปได้ว่าด้วยผ้าผืนนี้เท่านั้นเด้อด้ตามคำเก่าของญาติของโยมเห็ุเกินนั่นบุได้ดเด้มันกราบธรรมะให้พระจันทร์พระพิสุเก็บผ้าไว้เพเป็นปัจจุบันยังผ้าเยอะๆต้องทำวิธีวิกลับนั่นเห็นว่ากรมะให้หลายอ่ะเหตุเป็นเห็ุเพเป็นพระเป็นบาป มาถวายก็เป็นเป็นเพราะสะสมของพระเจ้าเห็นเกิดโทษเจ้าพระเลยมื่อดวัดไปแล้วกันผลมาละลายนุ่มผู้ละไตผู้ละไตไปมากกับพระเกิดที่เล็บมาบุษราที่วัดเลยนุ่มพีนานะเพราะนี่นะเพระเพราเข้าใจเรื่องการทาบุญบนตลาดก็เมืบอดวัดยในิวาเมื่อดวัดเลยพระเจ้าบรรจัดเอาทาของพระเจ้าทิ้งมาได้ พระพุทธเจ yeah, right. ้าเป็นต้นเหตุเส้อก็ได้เส้อพระเส้อก็ได้หนังสือตำราให้กระเขียนได้ตัวขาวเราเลือว่าเน้นคำได้ตัดทะลุแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเน่นแอได้ตัดทะลแล้วได้พไเปลี่พเจ้าแล้วจะน้อยจับเนคำจะน้อจับแน่นแอขาเราลือกว่คือเสียเงิแต่เขาพาธรรมมาเขาพาธรรมมาคำตาเขายตุกยุตียนผอ้านผงือโบศ เขาคือคนงอเขวก็ตีเอาไว้กิเลสเห็นแน่ตีเอาไว้กิเลสยินน่แสงเทียนท่องตาแสงปัญญาท่องใจน่นพอให้กิเ ล, เ ล, เาาเลเสยินดมันจุดทูบอยู่เทียนเห็นแต่ ว, วันนี้พลาดมันพอจะมาบวชได้ยังนิียหายจุดทูบอยู่เทียนเราคุณาาน้องมากาดเขาฟังเข้าขไปนะมฟังแจ่มมิฟังตัวคุณน้องมักโยงเรืร่องโยงโยงชอบเห็นชอบทำ เรืยองอะไ่วะคนโลกไหนใจเขาออกเลยว่าพระกันเฮ็ดเอามันบอเฮ็ดขึ้นี่หละงอแงาเต้าตุ้นไปหมดอ่ะเพาเพราะอย่างนั้เพราะบ่มีปัญญาเอาคาของกูเจ้ามาแปลและก็เหงีนผลเป็นสันเดชแสงสว่างสับปะรดปัญญานั่นคุณพระว่าแสงสว่างเสมอหลอดไฟฟ้าราคาเป็นลานผุดแสงสว่างสมอตาของเขาอีกคั้นรวมกับพระสว่างห ดวงกระถิภัตต์ดวงท่องก็เห็นสวรรค์ในภาพซ่อมเห็นยังไงล่ะตากระหน่อกเห็น น, นลกดังนนด้วยสวยงามนี่ตัวยงยงเอาอะไรขัดขู่มันเห็นตัวนี้ว่าเป็นของดังด้วสวยงามอยู่เกิดแช่แช่ตายอยู่ใ น, นโลกเลยเหรอเห็นบ่าเกิดมือกระดาษในโลกนี่วก็มีจฉาบานจักงมั่งจุ่มมือมิจฉาขู่จักค้อนแต่ละบานแต่งมั่ง พรเจ้าสอนตรงๆงๆงๆอยู่ทังบ่าวิบวบว่านายเดอธรรมะเราได้ใจเมื่อความเบื่อหน่ายนั่นจะทำคำสั่งสอนของพระเจ้าธรรมะเราได้เพื่อยอบใจกลีดดเกิดความรักโลกโงนั่นไม่ใช่ทำคำสั่งสอนของเขาพระเจ้านี่ใจของคนไปอยู่รักโลกโกรธลักโลกโกรงวง่คิดะหนาเเบื่อหน่ายตังขาล่างกายเต็มเต็มไปด้วยของไม่สะอาด เขเปขนใจถึงใจของบุตของน้เขาเ้องกอดของบุตรของน้เห็นว่มีผู้กอดกอดกอดกอดของบุตรของน้อสองคนอีกบุตรนางสองคนเข้าไปอีกสามคนสี่คนบุ้ทีไหนตายมันมีลมหายใจก็ออกสองสมือโอ้ยหนีเถาะหนีเถาะไปเผาเถาะเหม็นอยากบกว่าเป็นจริงมันต้องปศุันตายก็เหม็นไปแ้งตัว ลอกออกไปแม่ลอกเสือไปลอกหนังก็ไปลอกกระดูกก็ไปนี่ยังแม่จะไม่เห็นทีดีวันไหนล่ะมิตรอบไว้ปิดไปปิดความจริงของขบวนเจ้าเี่นั่นอยู่ด้วยความจอมปลอมโลกนี้คือจอมปลอมนั่นของร่องแสงหาวานแดก็ตาอยู่สงสัยข้างในจะเป็นของปลอมนั่นปลอมใครล่ะปลอมเอกคุณลูกคนตาที ยืดเทระอียจังติงหัวจักว่าห้อยูริความ้อมๆเลยหลอกจะผอมไปหลอกผู้อื่นจัละสวยจังงามหลอกจะผอมนี่ตึงตัมาจังสวยจังงามจ้ว่าผมขนเม็บเอาเล็บถีมาใส่มาต่อพวนี้เอาขนตาขนตาขนตายแล้วมาต่อให้ลูกหลานว่าจูขนตาใส่มาแทงให้เขาหล่ะเขาม่รงคูวเขาฟ้าตัดเทียทุมือแตงไงกหนังอยู่ว่านั่น เกลังกำจัดผลตาผลนั่นผลอย่างแน่ต้อยอย่างแน่เก็บล้านนะลูกหลานไปเห็ดอาชีพอยู่เพื่อนรอนประเทศร่อนน่ะมันหลวงปู่ไปเจมเมตตาให้แน่ของกำจัดผลเทียมของแตงผลเทียมราคาเล้ า, เลานพันละโอ้นอ้ามันรั้ที่เขานักกันม า, จากจริงๆลรอ ลหลายอย่างเลยเป็นแถวไม่ยอยไม่ยังหลายแต่นั่งก็มาค่อยเคี่ยวแต่แทงเหลมหลงฟูพูดพูดเหตุหน่อยหน่อยหนึ่งได้บ่อยางบะมีเ็บมือจากมือเอาแต่สางตัวท่วาเอาเลยมือจากเล็บตั้งเลมืออีกเล็บตีนอีกขูดอีกแทงอีกข้าอีกจากตัวมงมาดีต่อขนตาอีกขนตามีจะขนมันจะแล่าง่ายกว่บัน ว่นั่งสมาธิภาวนาฉันเห็นว่ได้ไปไปนั่งสัตนั่งสัตม์แสบสวยๆไปแตงมัดมือเท่ากำเฝ้ายังไงบ้างเอ้ยน่าตละหนกสำเวทเนอะใจถึงดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพธะศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำตามเจตนาแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อล่ำรวยสวยงามนั่นหลงทางไปแล้ว อยากดูว่าเกิดมาอะไรก็ดูใจบ่อยๆดูใจบ่อยๆเกิดมาดูใจดูใจไปมากก็ใจก็จะบอกเองแหละมาอะไรมาอะไรมาทร้างบุญกุศลมาทําคุณงามความดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเวลาลมหายตาจเราเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่พระนิพพานไปตามพระพุทธเจ้าเพราะเรารู้อยู่บ่อยๆเราจะดูผมรู้ขนดูเลบดูฟันดูหนังเป็นสวยงามสวยงามตกมนต์รักอีกแล้วเสียใจ ทุกที่สุดคือหาที่เกิดด้วยอำนาจบุญลลกุศลต้นเดียรโยมโยกลานเด็ดติพิ no เด็ดเสียตะละมาแสดงความสามารถีมาร่วมกันทําทานร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและก็ได้ฟังพระว่ า, วาทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลโดยเฉพาะบุญกุศลภาคปฏิบัติบูบชาคือนั่งสมาธิจจเจริญเมตตาภาวนาอย่าพากันประมาท ม, มาเม า, มาเปิดเบอร์อย่าพากันทิ้ง ครับปั้มับช่องแรกปฏิฐ า, านจิตใจขอปฏิบัติทําบุญทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีดูลมหายใจเขาออกทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีวันหนึ่งไม่กี่นาทีถ้าทําไม่ได้อย่าไปทานอาหารกันหรือภาษาอีสานทป็นเสียงคำสอนของพระเจ้าก็าอะจะกินเผา คุณผู้ชมบางคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งกติกาทั้งหลายก็ต้องมารวมกันตรงกว้างกว้างกว่าภาษาอักขระและวมทุกอย่างต้องมีจถจบคนเจริญจุกายจกใจหาจากทุกโศกโรคภัยทางงานจึงใดกาเงินจึงใดปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยจะพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีดวงจิตดวงใจได้เห็นศีลเห็นธรรมเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพาน ในปัจจุบันในชาตินี้คือย่างไรกบการพนังต่างๆอือน่อนๆก็มี อ, อ, อย่ายมีการวางยาทลองเก็บมงอืมอาขอบคุณได้โยมรัตนาในคนพระเจาะ้าะส์ รับインタบาภายในบริเวณวัดช่วงระยะเกือบโมงตามที่เคยทำมาพอดีแล้วไม่มีอะไรแล้วก็พความกันไปพระกระเลิกกันอะหังสัมมาสัมพุทธ